ทีมนักศึกษาสาขาวิชา ว, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนกโกสินทร์กว่าสองรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์สอสอทชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2562 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นหรือสอสอทอได้จัด ก, การแข่งขันหุ่นยนต์สอสอทชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2562ชิงถ้วยพระเจ้ า, าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจัดขึ้นณ ห, ห้องด i มอน n d h อ l l ชั้น5ศูนย์การค้าเสียรังสิต และได้ปิดฉากลงเรียบร้อยโดยทีมไอซั c e s s ทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมแมชชีนทรนิกสคณะวิศวกรรมศาสตร์มห า, า, าวิทยาลัยเทคโนโยลยีราชมงคลรัตนากสิน์สามารถคว้าสองรางวัลจากการแข่งขันไอซักเซตได้แก่รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ในการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ TPA PLC Competition 2019 Rubber h a z a r หรือหุ่นยนต์เก็บผลไม้ เป็นการแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับเอื้อประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมสมาชิกในทีมไอซักเซตได้แก่ น, นายธนวัฒน์มีทอง น, ท น, อนายธนัทอนันตพัฒน์นายวัชรชัยมาชัยนายอัธพงศ์วานิษัลนายชัดชพลบัวแก้วและนายรัชนน์รำมนูมีอาจารย์กิติพงศ์พุ่มโภชนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศว ก, กรรมแมคกาโทนิกคณะวิศว ก, กรรมศาสตร์มหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลงคลัตนโกศินเป็นที่ปรึกษา การแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากด้วยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรอบๆรอ บ, รอบแรกห้าสิบทีมจากสากมสิบถาบันการศึกษาคัดเข้าไปแข่งขันในช่วงที่สองเหลือเพียงสิบหกทีมทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตะนะโกสินทร์ได้นำผลงานหุ่นยนต์เข้าร่วมชิงชัยด้วยนทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงาน หุ้นสหรัฐปิดแดนลบการผลิตผ้าอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมของจีนขยายตัวต่ำสุดรอบ17ปีสะท้อนเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัวความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีดาวโจนลดลง 17.16 จุดปิดที่2 6 0 8 9 6 1จุด S&P ลดลง 4.66 จุดปิดที่ 2,886.98 จุด แนสแดกลดลง 40.47 จุดปิดที่ 7,796.66 จุดโดยสำนัก ง, งานสถิติแห่งชาติจีนหรือ NBS รายงานว่า การผลิตผ้าอุตสาหการรมปรับตัวดีขึ้น 5% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบรายปีซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า17ปีและชะลอตัวลงจากเดือนเมษายนที่มีการขยายตัว 5.4% และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 5.4% ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวก่อความกังวลว่าเศรษฐกิจหมายเลขสแห่งนี้อาจถล่มสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวยืดเยื้อด้านสัญญาณน้มันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดีย งวส่งมอบในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น23เซนปิดที่ 52.51 ดอลลาร์ต่อบาเรลส่วนเบรนลอนด์ London, งวส่งมอบในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น70เซนปิดที่ 62.01 ดอลลาร์ต่อบาเรลส่วนปิดบวกในกรอบแคบๆโดยาราคาทองคําตลาดโคเมิคเพิ่มขึ้น80เซนปิดที่ 1,344.50 ดอลลาร์ต่อออน